การงานอันใดที่มันจะสำเร็จได้มันก็ก็ความตั้งใจนี่เองถ้าความตั้งใจไม่เพียงพอการงานงต่างๆมันก็ไม่สำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกหัดตั้งอกตั้งใจ การตั้งใจให้เป็นสมาธินี่แหละมันเป็นกำลังสำคัญการที่เราจะทำความดีอะไรต่อไปสูงขึ้นไปได้ก็เพราะจิตใจตั้งมั่นถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมัน ทำการงานหรือว่าปฏิบัติธรรมให้ถูงขึ้นไปไม่ได้มัน็อย่างนั้นเรื่องมา น, นะดังนั้นแม้จะทำมาหาเรีอยงชีพสำหรับผู้ครองเรือนก็เหมือนกันถ้าใจเราและเดี๋ยวไหลแนวทำการงานอะไรก็สำเร็จได้ยากเต็มที เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีใจเป็นใหญ่สาเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจท้อถอยแล้วนั้นก็ทำไม่ได้มันเป็นงานดึงมันนะดังนั้นเราทุกคนชื่อว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชก็ดีเป็นเครื่องหักก็ดี ต่างก็อุทิศชีวิตบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนื่อนกันหมดเลยเราไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งโะดีพี่นาะเห็นแล้วว่าพระคุณทั้งสามนี่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ไม่มีสิ่งอื่นที่จะประเสริฐเท่านี้หรือยิ่งกว่านี้ไม่มีเลย ดังนั้นเนีเราจึงได้มั่นใจทำมั่นใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องฝึกใจของคนให้มันเข้มแข็งก<ม>็ ค, คำสอนของพระเจ้าน่ะสอนให้คนเอาละความชั่วให้ทำความดีบุคคลที่มีกำลังใจโอนแอ จะเวลาความชั่วที่มีติดตัวมามันก็ละไม่ได้เพราะความชั่วมันก็มีอิทธิพลมันมีกําลังเหมือนกันน่ะถ้าหากว่ากําลังใจไม่เข้มแข็งมันก็นละความชั่วนั้นไม่ได้อืนเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องฝึก จิตนี้ให้มันเข้มแข็งตั้งมัน่นลงไปมันถึงจะละความชั่วต่างๆได้พระวินัยที่พระเจ้าบัญญัติห้ามไม่ให้ทำไม่ให้ล่วงต่างๆวันนั้นลวดด้วนเป็นความชั่วทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใช่เป็นความชั่วพระองค์จะไม่บัญญัติห้ามเลยเข้าใจอย่างนั้น เพราะพระองค์มีพยานอย่างรู้แล้วว่ามันเป็นความชั่วมันเป็นโทษผู้ใดล่วงเกินแล้วมันก็เป็นบาปเป็นโทษบาปนั้นมันก็นวงเหนียวให้ชีวิตจิตใจอันนี้คล้องอยู่ในโลกนี้นี่จากโลกนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น อย่าห่วงหลายโลกสงสารอันนี้นะห่วงไปทำไมห่วงได้ก็ไม่ได้เอาติดตัวเลยเมื่อความตายมาถึงแล้วก็ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกนี้ไปแต่ตัวคนเดียวมมนนี่ผู้ใดมีคุณนคุณงามความดีติดตัวไป เหมือนอย่างบุคคลมีเงินตราถูกต้องตามกฎหมายติดตัวไปแล้วจะไปไหนก็สบายให้ค่ารถค่าราเข้าไปค่าเครื่องบนเครื่องบินก็ไปได้ถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละั่นใดผู้มีบุญกุศลได้ทังสมบุญกุศลไว้ในใจให้ เต็มความสามารถแล้วบุญกุศลนั้นมันก็นำดวงจิตนี้ไปสู่ที่สุขสบายจุดประสงค์ของเรามีอย่างไรบุญกุศลมันก็จะพยายามนำไปจุดประสงค์โดยแท้จริงก็อยู่ที่พระนิพพานแต่ว่าเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็ม ก็จำเป็นบุญกุศลอันนี้ก็ต้องพาไปเกิดในภพอื่นภพที่มีความสุขความเจริญมีอายุยั่งยืนนานปฏิจจากเว้นและภัยทางต่างอันนี้นะดังนั้นจึงว่าบุญกุศลนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเหมือนเงาติดตามตัวคนว่า ธรรมดาเงาเนี่ยมันเบามากไม่หนักหน่วงอะไรฮะผู้มีบุญมากเท่าไรก็ยิ่งเบากายเบาใจเท่านั้นไปไหนก็ไม่ลำบากผู้มีบุญกุศลไปไหนอยู่ไหนจิตใจก็สบายไม่เดือดร้อนแล้วก็มาเชื่อบุญเชื่อกุศล ที่ตนบำเพ็ญมาเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยอันตรายใดๆเพราะว่าบุญกุศลนี้ย่อมเป็นที่พึ่งกําจัดภัยต่างๆได้อืมยานั้นเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจไปที่ไห น, นไม่ต้องหวาดตน พันพึงไม่ต้องสะดุ้งว่ากรัวต่อภัยอันตรายต่างๆ เ, าเรื่องความกลัวนี่นะเพราะว่าเป็นกิเลสอันสำคัญประจำอยู่กับชีวิต จ, จิตใจของคนเราดัะนั้นคำว่ากลัวนั่นกักลัวตายนั่นจะพูดง่ายๆกลัวตาย ทีนี้บุคคลที่จะไม่กลัวตายก็เพราะว่ามีที่พึ่งอยู่ภายในจิตใจได้สร้างที่พึ่งไว้ในใจเต็มที่แล้วก็ได้ภาวนาดูร่างกายอันนี้อยู่ทุกวันทุกคืนอยู่ว่าร่างกายอันนี้มันอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้นะผู้ใดมาภาวนาเห็นอยู่เนี่ย มันก็จึงต้องสร้างที่พึ่งทางจิตใจไว้เต็มที่เลยเราจะหวังพึ่งร่างกายในตลอดไปไม่ได้นั่นแหละต้องพึ่งความบริสุทธิ์พึ่งคุณธรรมอันดีงามพึ่งบุญพึ่งกุศลที่ตนได้กระทําบําเพ็ญมานี่ต้องให้กำหนดรู้ในใจตัวเองว่า บุญคุณมีอยู่ที่ใจของตนโดยแท้จริงตนไม่สงสัยแล้วก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้ด้วยตนเองอย่าสักแต่ว่าเชื่อผู้อื่นพูดให้ฟังเท่านั้นตัวของเราทุกคนนะ่ะต้องพิจารณาเห็นว่าบุญคุณที่เรากระทำบำเพ็ญมา ตั้งแต่อดีตล่วงมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นีอยู่ที่จิตใจนี่ไม่ไปไหนเพราะว่าใจเราเชื่อต่อบุญต่อกคุณเท่านี้เราไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั้นจะมาช่วยเราให้พ้นทุกข์นภัยไปได้เช่นนี้นะเราไม่เชื่อเลย เพราะว่าสิ่งนั้นนั้นคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันหมายสิ่งจิตวิญญาณที่ยังคล่องอยู่ในโลกอันนี้แม้จะมีฤทธิ์มีเดชอย่างไรมันก็ยังว่าไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเมือ่อการจะไปเกิดอยู่ในไพบไหนก็ดีเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ตาย หลังนั้นจะไปช่วยใครได้เราจะช่วยตัวเองให้พ้นจากความตายยังช่วยไม่ได้คิดําไมเขียนอย่างนี้ถ้าตัวเราพึ่งบุญพึ่งคุณที่ตัวเองได้เคารพนับถือบูชาหรือว่าบุญกุศลที่ตนได้กระทำมานี่อันนี้มันแน่นอนจริงๆเลยแน่ร้อยเอร์เซ็นทีเดียวว่ า, วา การรักษาศีลในบริสุทธิ์มันก็เป็นบุญกุศลอยู่แล้วเนมันเป็นอย่างนั้นการที่เราภาวนาทำใจสงบระงับลงไปได้มันก็เป็นบุญกุศลอย่างาใหญ่หลวงทีเดียวฮะดังนั้นเราจะไปสงสัยอะไรอ่ะเพราะว่าเราทํารวมในศีลอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน ไม่ได้ทําบาปไม่ได้ดวงศีลเลยเอเช่นนี้บุญกุศลมันก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจในเสมอคนผู้มีศีลไม่ทําบาปแล้วนะไม่มีบาปมาหุ้มห่อจิตใจแล้วบุญกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นในจิตนี้เมื่อบุญกุศลบางเกิดขึ้นในจิตจิตก็เข้มแข็งอ หนักแน่นอย่างนี้นะย่อมไม่หวั่นไหวต่อภัยอันตรายต่งตางๆเพราะภัยพิบัติต่างๆในโลกนี้มันมีแต่บุคคลผู้ที่ไม่มีกรรมมีเวณมาแต่หนหลังแล้วมาสั่งสมบุญและคุณในปัจจุบันนี้เข้าแล้วบุญคุณก็รักษาชีวิต ให้ปราชญจากเวรภัยต่างๆจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเวรภัยที่จะทำมาแตชาติก่อนก็ไม่มีอย่างนี้นะมเมื่อเป็นเช่นนี้บคุคคลโน้นนั่นก็ไม่ค่อยสะดุ้งหวาดกลัวอะไรต่ออะไรพอมันนึกจะกลัวมามันก็ต้องนึกถึงบุญถึงคนที่ตนบำเพ็ญมา อันนั้นเมื่อบุญคุณบางเกิดขึ้นในจิตเราก็หายกลัวนี่ทุกคนต้องการปฏิบัติธรรมนะต้องปฏิบัติลงไปจนสามารถถวายชีวิตปูชาบุญคุณนี่ได้ต้องให้ให้เป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะอย่าไปห่วงงต่ร่างกายอันนี้ไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียน ถ้ารู้ว่าใครจะมาเบียดเบียนกลัวสะดุ้งหวาดกลัวอย่างรุนแรงอย่างนี้นะอันนั้นได้ชื่อว่าผู้นั้นยังมีจิตใจไม่มั่นต่อที่พึ่งอันประเสริฐนี้มันการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลเต็มที่เลยเป็นเช่นนั้นนะอย่างนั้นเราต้องฝึกให้ดีดดอ่า บางคนเนะ่ยพอพูดให้ฟังท่านไปภาวนาอยู่คนหนึ่งคนเดียวในกลัวขึ้นมาเลยออย่างนี้เหละยนั่นก็แสดงว่าที่พึ่งในจิตใจนะั้นยังไม่มั่นคงพ อ, อผู้นั้นยังไม่เชื่อมั่นต่อที่พึ่งอันประเสริฐของตนเต็มที่ ยังไม่ยอมสละชีวิตบูชาบุญคุณอันประเสริฐนั่นได้เพราะเหตุนั้นเมื่อไปสู่ที่เปลี่ยวไม่มีเพื่อนสองแล้วก็จึงหวาดหวั่นพันพึงคล้ายๆกับว่าจะมีภัยอันตรายมาเบียดเบียนตนของตนอยู่เสมออย่างนี้นะ ทุกคนขอให้เข้าใจว่าบุญกุศลหรือคุณต่างๆนี่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงดังนั้นเมื่อมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดทำให้ใจของผู้นั้นเข้มแข็งกล้าหาญไม่หวาดหวัตนต่อความตาย เนื่องจากว่าเชื่อมั่นในบุญในกรรมถ้ากรรมเวรมีกดมันป้องกันไม่ได้มันต้องตามสนองให้เป็นทุกข์มันต้องตามสนองให้จนจะแตกดับทําลายชีวิตไปอันนี้เราไม่มีทางป้องกันกรรมชั่วเวรชั่วที่ตัวทำออามาแต่ชาติก่อน ทำยังไงได้เราก็ต้องสละลงเอาแล้วแต่กรรมเวรมันจะสนองไปยังไงแต่เราจะรักษาจิตนี้ให้มั่นอยู่ในบุญในคุณให้มั่นอยู่ในความจริงอย่างนี้เพราะว่าจิตตรงนี้มันมันไม่ตายแม้กรรมเวรมาสนองมันก็มันก็สนองแต่ร่างกายนี่แหละ ทำให้ร่างกายในวิบัติเป็นโรคเป็นภัยอันรลแรงอะไรทอะไรหม่นี้นะดังนั้นเราจะต้องพิจารณาดูให้รู้ให้รู้โดยตนเองให้ร่างกายสังขานนี้ถึงจะไม่มีกรรมชั่วเวรชั่วแต่ก่อนมาสนองแต่อาศัย บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกทำลายลงนี่เราต้องพิจารณาให้รู้ตลอดไลยประเดียวถึงจะไม่มีเวียนไพรมาเต่ชาติก่อนมาตามสนองก็ตามถ้าหมดบุญแล้วกร่างกายนี่ตั้งอยู่ไม่ได้ไอ้จิตธรรมชาติของจิตที่มันไม่ตายนี่มันต้อง ถอนตัวออกจากร่างกายนี้ไปซึ่งมีบุญและบาปนำไปท่านพุทอาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรนำไปนำมาท่านละอาสวะกิเลสสิ้นแล้วจิดตดวงนี้ก็เข้าสู่นิพพานคือเข้าสู่ธรรมอันไม่ตายไม่เคลื่อนไหว ไม่หมุนเวียนไปหาที่เกิดใดๆทั้งหมดเลยนี่นะเมือ่อธาระอาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้วแม้เราก็เหมือนกันถ้าเราละกิเลสให้หมดสิ้นแล้วก็ไม่ได้หมุนไปหาที่เกิดอีกต่อไปแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานเป็นสุขอยู่ตลอดอนันตการอืมเป็นงั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็กล้าหาญเข้มแข็งเพราะร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้เราจะบังคับไม่ให้ใครมาเบียดเบียนอย่างนี้ถ้าถ้ากรรมเวทที่ตนทํามาแต่ก่อนมันมีอย่างเนี้ย เราจะหาวิธีป้องกันแม้ใครมาเบียดเบียนไม่ได้เลยอนุภาพแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำนะ่ะมันยอมให้ผลแน่นอนไม่มีทางป้องกันนะ่ะต้องรู้ไว่อย่างนี้เผื่อว่ากรรมเวรมันมีถ้ากรรมเวรไม่มีแล้วเราก็อยู่สุขสบายตลอดไปเป็นอย่างนันเรื่องมันนะดังนั้นนะ่ะ ทุกคนอย่าไปอยู่เฉยๆต้องภาวนาทำใจสงบและทองดำริตรีตองคำสอนที่แนะนำสั่งสอนนี้ต้องให้ปรากฏอยู่ใน จ, ใจิตใจให้รู้อยู่ในจิตใจของใครของเราถ้ารู้ตามเห็นตามที่แนะนำสั่งสอนนี้แล้ว ความสะดุ้งหวาดกลัวทางทางก็ไม่มีถึงมีก็มีน้อยอแต่จะไม่ให้มีเลยไม่ได้หรกคนยังไม่สิ้นกิเลสต้องมีแต่ไม่รุนแรงไม่ถึงกับว่าสะดุ้งหวาดกลัวจนตัวสั่นจนลืมสติสตังไประลึกอะไรก็ไม่ได้เลยถ้าถึงขนาดนั้นแล้ว แสดงว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั่นไม่ได้ผลอะไรปฏิบัติไปแบบไม่ไมรู้แบบนั้นเพราะฉะนั้นจึงพยายามชี้แจงให้ฟังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในที่พึ่งอันประเสริฐ ด, ด้วยตนเอง แล้วก็จะหายหวาดหายกลัวเมื่อเมื่อเห็นเห็นบุญเด็นคุณว่ามีเป็นที่พึ่งของจิตใจอยู่แล้วแต่ส่วนร่างกายนี่นะมันก็พึ่งบุญเก่าที่ทำม า, าติดก่อนตามรักษาไว้ดังนั้นไม่ควรจะเป็นห่วงนักหนาถ้าบุญกุศลนลหลังยังมีอยู่ตราบใดแล้วร่างกายนี้ก็ยัง ถึงความสวัสดีไม่มีภัยอันตรายใดๆมาเบียดเบียนได้ขอให้เข้าใจอย่างนี้เรืองมนะถ้าผู้ใดยังไม่เชื่อ บ, บุญกรรมที่ทนทำมาแต่ก่อนอย่างว่านี่แล้วมันก็ว่าเวียแล้วใจอ่ะนั่นน่ะอาใับุญคุณที่ทำมาแต่ก่อนด้วย อาศัยบุญคุณที่เรากระทําบำเพ็ญเอาอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างนี้นะประกรอบกันเข้าแล้วมันก็ทำใจให้เข้มแข็งหนักแน่นเป็นองั้นไอ้ความกลัวนี่นะว่าเป็นกิเลสอันสำคัญนะูน่นนะอรหั ต, ตผลนู่นนะตัดขาดในความกลัวนี่นะ ขอให้เข้าใจกันต้องใส่ใจให้มากมากถ้าไม่ใส่ใจไม่พิจารณาล่วงหน้าไว้อย่างนี้แล้วเวลาภัยต่างๆมาถึงเข้ามันก็สะดุ้งเลยไม่มี ส, สติสมบัญญาณจะควบคุมจิตใจได้มีแต่ความกลัวเข้าครอบงำจิตใจ อย่าให้เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมตัวอยู่เสมอเพราะว่าร่างกาย ไ, ไม่เที่ยงไห้ใจไม่ได้เลยมันจะวิบัติแปรปวนลงเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครมาบอกลงหน้าเลยเป็นงั้นดังนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอมีสติรักษาจิตตรงนี้แหละไว ให้มันตั้งมั่นอยู่เสมอเสมอไปตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณเสมอไปอย่างนี้แล้วมันก็ยังชั่ววันนั้นนะ่ะเวลามีภัยพิบัติอะไรมาถึงเข้ามันก็ไม่ตื่นเต้นอ่าจิตใจมีที่พึ่งแล้วนะมันก็ระลึกได้แบบนี้อ๋ออันนี้ภัยพิบัติเหตุบัตินี้ถ้าเกิด แต่กรรมแต่เวรแล้วมันก็แก้ไม่ตกถ้าเกิดไม่มีไม่ใส่กรรมเวรดนหนหลังแล้วมันก็สามารถแก้ได้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็หาทางแก้ไปแก้ไขไปเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะก็หาหมอรักษาเข้าไปเอาอหมอรักษาไม่ได้แล้วก็แสดงว่า บุญกรรมมันหมดลงแล้วอายุมันหมดลงแล้วก็ต้องไ่เศร้าโศกเสียใจและของได้พี่นาเห็นอยู่แล้วก็ตายกันเท่านั้นเองอันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุง้งหวาดกลัวต่ออา ญ, ญาคือความตายนี่นะ พระองค์ทรงเปรียบไว้อนุภาพแห่งความตายเนี่ยอุปมาเหมือนอย่างเขาสินเนลุราชสูงจดท้องฟ้ากลิ้งมาแต่ทิศ ท, ทั้งสี่บทสัตว์ทั้งหลายให้เป็นจุลแลวิจุนไปฉันใดความแก่และความตายก็ย่อมบีบพันร่างกายนี้ไป ในที่สุดก็แตกทำลายลงฉันนั้นบั น, นี่เรามาแยกแยะดูว่อาอ้าตายมันอะไรมันตายกันแน่มันก็มีแต่ร่างกายเท่านีนะ้แตกสลายออกจากกันส่วนจิตนั้นมันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติรู้อันหนึ่งตะหาก ดังนั้นเมื่อร่างกายนี่มันอาศัยไม่ได้แล้วมันก็ถอนตัวออกไปอย่างนี้ด้วยอํานาจแห่งบุญกรรมที่ทํานั่นแหละนําดวงจิตนี่ออกจากร่างนี่ไปหรือว่าด้วยอํานาจแห่งบาปกรรมที่บุคคลกระทำดนั้นนําดวงจิตนี่ออกจากร่างนี่ไปสู่ที่ทุกข์ยากลํบาบากอย่างนี้นะ มูอนี้เราต้องรู้ไว้ตัวพี่นารู้แจ้งล่วงหน้าไวเลยอ่อาถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วหากว่าเป็นกรรมเวรมาสนองจริงอา่าเราก็เราก็รู้แล้วตัวเองทำเอาให้ตัวเองมาแต่ก่อนกต่ตนเองก็ต้องเสวยผลของมันจะเอาไปโยนให้ใครก็ไม่ได้ ก็ต้องอดกันทนทานเสมอวิบากกรรมนั่นไปเช่นเจ็บเ็บไข้ได้ป่วยรักษายัางไงก็ไม่หายอย่างนี้นะจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้ก็เรียกว่ามันกรรมเวรแต่หุ่นหลังนะมันมาให้ผลแล้วก็อดทนสู้ต่อทุกขเวทนานั่นไปอย่าให้ใจเดือดร้อนอย่าให้ใจเศร้าหมองขุนมัวยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้อย่างนี้นะ แล้วกรรมเวทเนี่ยมันก็ส่งสนองได้แต่ร่างกายแบบนี้นะมันจะมาครอบงำจิตใจในี่ไม่ได้เพราะว่าใจมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ดังนั้นท่านึงอุปมาไว้เหมือนอย่างข้อมค่ายของคนโบราณ สร้างไว้ตามมุมกำแพงเมืองถ้าศึกยิงมาแต่ทิศทั้งสี่มันก็ไม่ถูกตัวทหารที่อยู่ในป้อมนั้นมันก็ถูกตั้งแต่ป้อมเท่านั้นเองอืมอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อตอนมีบุญคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วบัดนี้แม่ความแก่ความตายนะมันจะมาแต่ทิศท้งสี่ มาบีบคั้นร่างกายนี้ให้แตกสลายออกจากกันจิตใจก็ไม่วันไหวไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะมีที่พึ่งแล้วเหมือนอย่างทหารที่เขามีเกาะเป็นที่กำบังตัวนั้นมันก็ปลอดภัยต่อลูกกระสุนของผ้าศึกอันนี้ก็เส้นเดียวกันนั่นแหละเมื่อจิตของผู้ใดมีที่พึ่งมั่นคงอยู่แล้วอย่างนี้ แม้ความทุกข์ความเจ็บความปวดอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวอ่มไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันมีปัญญารู้ว่าอันนั้นเรื่องของขันห้าขันหนามันไม่เที่ยมมันก็เป็นทุกข์มันก็แปรปวนมันก็หวั่นไหวไปอยู่นั่นแหละเราจะอย่าไปถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ให้กําหนดรู้ว่านั่นขันห้า มันแปลปวนมันกําลังจะแตกแกดดับนี่ก็ต้องให้รู้ว่าอย่างนี้เสมอไปเนี่ยเรากําหนดรู้อยู่เนี่ยเมื่อรู้อยู่เนี่ยมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจกับขันห้าเลยเพราะว่ามันแปลปวนวนไหวทนแต่อ ย, ยากลําบา ก, กต่างๆนี้่รว้จักอาการของขันห้าทั้งนั้นเลย ไม่ใช่เราอ่ะเราไม่มีอยู่ในขันหานั้นก็ให้สอนใจอย่างนี้เสมอไปใจถูกปัญญาสอนเขาอย่างนี้เมื่อใจรู้แล้วก็ไม่วันไหวก็ย้อมตั้งมั่นอยู่ได้เพราะว่าเรื่องความทุกนี้พระพุทศาสดาทรงสอนให้กำหนดรู้เท่านะ ไม่ใช่ให้ละละไม่ได้ในเมื่อมีขันธ์หน้านี้อยู่ตราบใดทุกนี้ก็มีอยู่ตราบนั้นดังนั้นพระองค์ยังสอนให้กําหนดรู้เท่าด้วยปัญญาอันยิ่งให้รู้เท่าว่าทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากขันธ์หน้าพอขันธ์หน้าไม่เทียงมันยึงเป็นทุกข์เมื่อขันธ์หน้านี้ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้น เมื่อตนไม่ประสงค์อยากจะเป็นทุกข์เช่นนั้นตนก็ปล่อยวางขันหาอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราเสียงเนี่ยใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วเช่นนี้ทุกทางจิตใจก็ไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ ทางทิ่ใจดังกล่าวมานี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทก็จะถึงซึ่งความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้